นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันในเวลาเช้าๆอย่างนี้ซึ่งก็จะมีอาตมาพระไยบูลอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไหนโศกจะมาเป็นผู้ที่บรรยายธรรมะเล่าธรรมะนำเหตุการณ์ต่างๆมาพูดคุยให้ฟังซึ่งถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการ ก็สามารถไปที่เว็บไซต์ p o t a m a c o m p r d หรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้ที่รายการธรรมรัปรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ในการติดต่อกับทางรายการนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเขียนคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นใดๆ ในเรื่องของคำถามนั้นเราก็จะรวบรวมกันมาตอบให้ในวันอังคารหรือว่าวันพุธเว็บไซต์ที่ไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือรม p, ama, p u r e d h a m m a com p r d p r d นี่ก็เป็นตัวย่อของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งทุกๆวัน เมื่อธรรมามาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะในวันจันทร์ก็จะพูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้เป็นพุทธวจนะเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้แตนะ่แสดงว่าที่เป็นงูพิษมันก็มีถูกต้องพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้ความรู้ความเรียนที่เรารู้มาเรียนมานะอาจจะเป็นงูพิษก็ได้ถ้าเราเอามาใช้ในการที่จะทิ่มแทงผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามา ปฏิบัติเพื่อที่ให้เรารู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปริยัตหรือความรู้ความเรียนความสามารถตรงนี้ก็จะไม่เป็นหมูผิดการเอามาใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองไม่เป็นภัยแก่ผู้อื่นเนี่ยหรืออีกคําหนึ่งก็ใช้คาว่าศิกขาบทคือศึกษาด้วยการปฏิบัติคือเอามาใช้จริงแต่ไม่ใช่รู้เฉยเรู้เฉยๆนี่ยังไม่เกิดประโยชน์เรียกปรยิยัตเฉยเยแต่ถ้ารู้แล้วเอามาใช้ผิดอันนี้เป็น ประโยคที่เป็นงูพิดรู้แล้วเอามาใช้ถูกอันนี้เป็นประโยคที่ไม่เป็นงูพิดการรู้แล้วเอามาใช้ถูกเนี่ยเรียกว่าการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติตามที่ตามที่เรียนทํามบัตรของพระเจ้านี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่แล้วถ้าคุณเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเนือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติคือทําไปแล้วเรียนรู้ไปอันนี้จะเรียกว่าเป็นการทําที่ถูกต้องทําอย่างที่สอนนะนะคือพระบรมศาสดาบอกว่าเอาให้คุณมีศีล เอาคุณก็ไหนศีลเป็นยังไง้ไม่เห็นเคยรู้เลยอ๋อเอามาทําเลยนะทําแล้วรู้ไปด้วยนี่แหละถึงจะถูกแต่ถ้ารู้อย่างเดียวแล้วยังไม่ทําแล้วเอาไปใช้ในการทิ้มแทงคนอื่นอันนี้เป็นเรียกว่าคุณรู้ศีลอย่างที่เป็นงูพิษแต่ถ้าคุณรู้ศีลอ๋อเรียนจําได้อยู่ในบทนี้อยู่ในสูตรนี้เคยพูดกับคนนี้ไว้แตนะ่แล้วมาทำํำ อ, อย่างถูกอันนี้เป็นปริญญาที่ไม่เป็นงูพิษ นะถ้าอ้ยท่องก็ไม่ได้ทาก็ไม่ได้หรือว่าใครเป็นของใครแต่ไหนว่ายังไงเอามาทําเลยอันนี้คือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอันนี้ดีนะทีนี้ เ, เรื่องของปริยัติเนี่ยบางคนมาเคยมาคุยกับอาตมาว่าปริยัติเนี่ยแหมมันจะต้องเรียนรู้มากๆหรือเปล่าแต่ต้องท่องได้เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นปริยัติจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสนับสนุนสิ่งที่ศึกษาด้วยการปฏิบัติมากที่สุด ที่เราพูดถึง3อย่างใช่ไหมไล่เป็นลําดับ1ปริยัตที่เป็นงูพิษไล่มาดีขึ้นมาอีกคือปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษคือคุณท่องได้จําได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเอามาปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างที่3ามนี่คือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติคือคุณไม่จําเป็นต้องคล่องแคล่วในเรื่องของอักษรศาสตร์จําได้ท่องได้รู้หมดเลยอะไรเป็นยังไงแต่ว่าเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเลยเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติคือทําเลยแต่มาจะยกตัวอย่างอย่า ง, างนี้อย่างเช่นว่า ถ้าใครคนที่เคยลองฝึกว่ายน้ําหรือว่าฝึกขับจักรยานสมัยเด็กๆหรือว่าโตแล้วคุณยังทําให้เป็นคุณมาฝึกตอนโตก็ได้มันไม่มีคู่มือนะในการที่จะหัดขับจักรยานไม่มีคู่มือในการที่จะเรียนว่ายน้ำคือคุณไปหาซื้อตามแผงหนังสือเนี่ยไม่มีหนังสือที่สอนขับจักรยา น, นยไม่มีหนังสือที่สอนว่ายน้ำอาจจะมีรูปนะทำให้ดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจะทําเป็นเนี่ยคุณต้องเอาจักรยานมาเลย แล้วขึ้นขี่เด็กน้อยอายุ5ขวบ6ขวบที่เดินได้วิ่งได้แล้วเนี่ยเขาจะมาฝึกขับจักรยา น, เ, นยเขาไม่ได้อ่านกู่มือหรือว่าเด็กที่เขาโตมาเกิดมาว่ายน้ําได้เลยเนี่ยเขาไม่ได้ไปอ่านคู่มือก่อนนะเออขาต้องอย่างนี้นะอ๋อตีแล้วก็สวนทางกับมืออย่างนี้อ๋อเลื่อนไปข้างหน้าคือเขาไม่ได้อ่านตรงนั้นคือเขาไม่มีความรู้ทางด้านปริยัติในการที่เขาจะต้องมาขับจักรยานหรือว่ามาว่ายน้ํา สิ่งที่เขาทำคืออะไรตู้มเลยกระโดดไปในน้ำนะป๋อมแผมป๋อมแปมกึนน้ำสักสามสอึกเดี๋ยวมันเป็นเองนะืคือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติทําเลยแล้วคุณเรียนอ๋อว้น้ําเป็นอย่างนี้อ๋อทำอย่างนี้แล้วมันจะลอยอ๋อทำอย่างนี้แล้วมันจะจมไปเลยทําเลยเขับจักรยานก็เหมือนกันโอ้จะต้องมาอ่านคู่มือว่าอ๋อต้องเอียงตัวเท่านี้องศาแล้วขาทําอย่างนี้กับพื้นกับตัวกี่องศาตัวนี้ต้องทรงน้ําหนักไว้ที่ไหนโอ้ย คุณเอาจักรยานมาแล้วกระโดดขึ้นเลยนั้นล้มมันสัก 3-4 ทีล้มมัน 20-30 ิิทีเดี๋ยวเป็นเองแต่ตอนให้มี3ขา4ขาในจักรยานบางทีเขาติดล้อเล็กๆไว้ใช่เพื่อที่จะหนุนไม่ให้ตัวมันล้มแต่ไงุูก็ต้องทำเองมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปรู้จุดสมดุลของความทรงตัวได้ก็ทำได้อันนี้คือลักษณะของศิกขาบทคื็การศึกษาด้วยการปฏิบัติ แต่พระพุทธเจาจะใช้คําว่าสมท า, านการศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคือสมาทานศึกษาในสมาทานนั่นแหละสมาทานเนี่ยแปลว่าศึกษาด้วยการปฏิบัตินันทําเลยแค่นี้คุณไปได้ละคุณเจอน้ําท่วมคุณก็ว่ายน้ําได้ใช่ไหมคุณเจอขอจอับจักรยานคุณก็ขี่รอบไปได้บึง <c oughs> คน่น้าตมาเคยมีเพื่อนนะอายุ30กว่าแล้วยังขับจกักรยานไม่ได้เลยขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้แต่เพราะว่าไม่เคยลอง ไม่มีคู่มือให้อ่านก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ทำจนบัานนี้ก็ยังทําไม่ได้แต่คุณอาจจะเคยเห็นคนหนึ่งเขาทาได้วิเคราะห์มาอย่างดีอ๋อโมเมนตัมเป็นอย่างนี้แรงหมุนเป็นอย่างนี้ใช้วิทยาศาสตร์ทุกอย่างแต่ไม่ เ, เคยลองขับเนี่ยมันไม่มีทางได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงต้องทําด้วยการปฏิบัติสุดท้ายยังไงคุณต้องทําด้วยการปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งนั้น อ, อักษรศาสตร์เนี่ยจะมีมากหรือน้อยผู้รู้จไม่เคยติเดเตียนเลยขอให้รู้แค่หนึ่งบท แล้วเอามาทำโอ้โหนั่นแหละแม่สุดยอดเป็นบระหูสุดเนะืรู้บทเดียวแต่คุณไม่มจำเป็นว่าจะต้องรู้ว่าพูดกับใครไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอันนี้เป็นคำอุทานหรือเป็นคาถาหรือว่าเป็นคำสนทนาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพูดกับคนนั้นแล้วเขาเป็นยังไงนะหรือว่าพูดที่ไหนหรือว่าใช้พยากรณ์แบบไหนแต่แค่พอจะจาได้แล้วเอามาทานะอันนั้นะดีที่สุดเช่นพูดว่า สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่บทนี้เอพูดกับไกลนอเออจำไม่ได้หรอกเอเราพูดที่ไหนล่ะเออก็จําไม่ได้หรอกแล้วนี่เป็นคาถาหรือเป็นคําอุทานโอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาแล้ ว, แ ล, วแล้วพูดไปแล้วแล้วคนที่ฟังแล้วเขาเป็นยังไงโอ้อันนี้ไม่ได้อยู่ในสมองเลยแต่จําได้นะว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเท่านี้นะแล้วเอามาใคร่ควรวิเคราะห์ ในชีวิตฉันมีอะไรที่เป็นอย่างนี้บ้างน้โอ้บ้านนะ้ำไม่เคยท่วมมันก็ท่วมเอา้าเงินไม่เคยมีมันก็มีเอา้าเงินไม่เคยหายมันก็หายโอ้นี่แหละเท่านี้แหละแล้วเห็นตามที่เป็นจริงอย่างที่พุทธชาบอกโอ้ยเป็นบระหูสูตรนดีกว่าพวกเรียนปริยัตรู้มากรู้หมดเลยว่าอันนี้เป็นคำแบบไหนใช้ไวยากรณ์อะไรเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแล้วก็รู้ว่าพูดกับใคร แต่กลับเอาใช้เป็นทิมแทนคนอื่นอันนี้ก็จะไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาเรื่องนี้มันเน้นย้ำในทุกๆสัปดาห์ในเรื่องของปริยัติที่เป็นหงูพิษไอ้หมดธรรมะต่างๆที่อาจารยมาจะเอามาพูดบางคนอาจจะเห็นว่าไอ้นี่เป็นเรื่องปริยัติเอามาพูดทําไมอย่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะให้เราปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพราะพระท้าพุทธเจ้าไม่บัญญัติพวกนี้เราจะไม่ทราบข้อมูลนะความร้อยเรียงของธรรมะหมดต่างๆก็พระพุทธเจ้าบัญญัตินะ่ะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ถูกต้องไหมล่ะ เรามาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคกุญจิมธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วเนี่ยเอามาใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบเอาธรรมะมาใช้อย่าถูกต้องอย่าทิมแทงกันอย่าทิมแทงกันด้วยหอก ค, คือปากแต่บางคนก็จะเอาหอกเนี่ยเป็นปากอเออปากเนี่ยเป็นหอกเอาปากเป็นห อ, อาากหอแล้วก็ทิมคนอื่นแทงคนอื่นนะให้รู้ว่าฉันนี่เก่งให้รู้ว่าฉันนี่ยอดฉันรู้มากกว่าเธอนะอะไรที่เธอพูด มาพูดผิดไปแล้วอะไรที่ควรพูดก่อนกับไปพูดทีหลังฉันนี่เก่งกว่าไม่ดีนืทิมแทงกันด้วยทิฏฐิทิทมแทงกันด้วยห่อคือปากเราจะไปกันไม่ได้จะมีแต่คนเจ็บแล้วก็การบรรยายธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะองค์ไหนๆละ่ะหรือจะเป็นคารวาะหรือจะเป็นพระก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่านําสิ่งที่เป็นข้อมูลมาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็อย่าเพิ่งลงใจลงความเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นปริยัติฉันไม่ฟังหรอก โอ้อันนี้เป็นเทศการปฏิบัติชันฟังอย่างเดียวหรือว่าโอ้ย น, นี้เทศอะไรไม่รู้เรื่องจับยำหมดตุ้อย่างโอ้ยไม่ฟังหรอกแต่ต้องเทศเฉพาะที่เป็นเนื้อเนื้ อ, อหสอสสเป็นข้อ ข, อขออ น, นี้ฉันถึงจะฟังมันมันไม่ใช่เราต้องจะมีใจเปิดกว้างอะไรที่เป็นพุทธพจนะ์นะเราเอาเราฟังเราดูซิว่ามันใช่ไหมถูกต้องไหมเราฟังดูก่อนเราเอามาใคร่ครวนตรวจสอบเราจึงเชื่อเราจึงปฏิบัติตามอันนี้จะเป็นผู้ที่สอนได้ บอกไดนะ้ประโยชน์ที่จะเกิดจากธรรมะจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรูปแบบของธรรมะที่ไม่เหมือนกันนะวันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษโดยจะใช้หลักสูตรของนักธรรมตรีนะมาพูดถึงหมวดธรรมะที่ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจหมวดที่เราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของสติสัมปชัญญะ อันนี้โอ้โหว่าลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งพอสมควรนะลึกซึ้งพอสมควรเลยใช้เวลาไปทั้งหมดวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องของอธรรมะที่คุ้มครองโลกสองอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงฮิริแลวก็โอตัปปะฮิรินี่แปลว่าความละอายต่อบาปละอายต่อบาปนี่คือแบบโอ้จะทำบาปแล้วโอ้ไม่ทำหรอกอมัน มันไม่ดีมันมันน่าละอายอย่างที่สองคือโอตัปะคือความกลัวต่อบาปกลัวภัยต่อการทําไม่ดีกลัวอย่างสมมติเรากลัวผีอย่างเงี้ยกลัวผีเวลาทําผิดแล้วกลัวแม่จะด่าเวลาเราไปโกงแล้วกลัวเจ้านายจะรู้หรือว่าเราทําความผิดแล้วกลัวเมียหรือกลัวผัวจะจับได้เนี่ยนะอันนี้คือความกลัวต่อบาปฮิริกับโอตะปะนี่คือความละอายคือละายนี่ ละอายก่อนคือมันเกิดได้ทั้งก่อนและทำก่อนทำและหลังทำนะทั้งสองอย่างแต่เป็นจะเป็นความรู้สึกคนละแบบความละอายนี่จะเป็นลักษณะว่า เ, เราเราจะทําความผิดอย่างนี้สมมุติเราเราเป็นพ่อหรือเราเป็นแม่เราจะสุบุหรี่กลัวลูกมันจะเห็นโอ้ยรู้สึกอายวะ่ะอายลูกมันนั่นแหละคือความฮีริล ะ, ละอายต่อ บ, บาป เวลาเราจะโกงเงินประเทศอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกลัวกลัวว่าหัตายละแล้วลถ้าใครจับได้ขึ้นลงขึ้นศาลเขาจะว่าอย่างไงกลัวต่อระบบศาลนะืกลัวต่อความยุติธรรมอันนี้ก็จะเป็นความกลัวต่อบาปซึ่งสองอย่างนี้ทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกคุ้มครองจริงจริงนะในอีกประสศุดหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าผู้ที่มีหิหริโอตปะเนี่ยจะมีการสรํารวมอินทรีย์ การสัมมนาอินรีเนี่ยคืออินรีเนี่ยหมายถึงแบบถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็จะต้องอธิบายให้ฟังซะด้วยอินรีเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ที่ใช้คําว่าอินซีเนี่ยก็เพราะว่ามันมันเป็นใหญ่อินรีเนี่ยแปลว่าใหญ่ในความเป็นใหญ่ที่เขาเอาไปตั้งชื่อนกอินรียหรือปลาอินซีใช่ไหมนะก็เพราะว่ามันมันเป็นใหญ่นกอินซีเนี่ยมันก็เป็นเจ้าพ่อนกทั้งหมดนะปลาอินรีย์มันก็เป็นเจ้าพ่อปลาทั้งหมดมันกินปลาอื่นมันจัดการกับนกอื่น คําว่าอินซีเนี่ยเขาจึงออกมาใช้เรียกชื่อนก ok ชื่อปลาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมีปลามีนก ok คืออินซีเนี่ยเป็นตัวเรานะตัวเราคือตาหูจมูกนิ้วกายใจของเรานี่แหละคืออินรียเราําไมได้อินรียเราก็เพราะว่าตาเนี่ยเป็นเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปนะจะเอาอหูมาเห็นรูปแทนเนี่ยมันไม่ได้หูก็อาจจะรู้ได้แค่ว่าอ๋ออันนี้ใกล้หรือไกล แ ต, แต่การที่จะดูว่ารูปนี้เป็นใครสวยงามแค่ไหนมีสีสันอย่างไรต้องเป็นตาและหรืบางทีหูเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องการได้ยินเสียงแต่ถ้าเราจะเอาผิวกายเนี่ยมารับรู้ว่าเสียงดังเสียงค่อยก็พอได้อยู่แต่จะไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเสียงต่ําเสียงสูงเสียงเป็นยังไงเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยต้องเป็นหูเท่านั้นที่จะรู้ในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นการสำรวจอินทรีย์เนี่ยจะเป็นผลมาจากการที่เรามีหิริอตัตตะ อย่างเช่นว่าการสำรวมอินทรีย์อย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยคือคุณมีความกลัวความละอายต่อบาปในเรื่องของศีลของตัวเองไม่ให้จิตว่าเราหลายไปในภายนอกเวลาไปบินธรบาตเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ยโอ้ยเราต้องสำรวมอินทรีย์แต่เพราะว่ามันเห็นสิ่งอะไรต่างๆที่สวยงามของบ้านของโลกเขาเนี่ยใจมันก็จะเตลิดเปิดเปล่งละราคาก็จะเสียบแทงจิตเพราะนั้นจึงต้องสำรวมอินทรีย์แต่เพราะว่าความกลัวความละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้นในใจ อ, อย่างเช่นคนที่ ลายตอกกลัวต่อบาปอย่างเงี้ยจะไปสถานที่อโครจรไปเที่ยวเทคไปเที่ยวผับไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อยากไปเพราะว่าสํารวมอินทรีย์ในที่นั้นจะถูกฉีกโดยตาหูจมูกเลี้ยงไกใจเป็นต้นนะทีนี้พอมีการสํารวมอินทรีย์แล้วเนี่ยศีนก็จะเกิดขึ้นแต่จิตของเราจะเป็นจิตที่มีศีนจะมีความตั้งมั่นในศีนพอมีศีนแล้วเนี่ยก็จะทําให้จิตเนี่ยไม่มีความร้อนใจ พอมีความไม่ร้อนใจแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วก็จะมีความสงบใจแต่ความสงบใจในการที่จะไม่ต้องวิ่งบุ่นไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกพอมีความสงบใจแล้วก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยจะเป็นตัววัตดับของความเป็นสมาธิของจิตของเราแล้วก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นพอมีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะมีการเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เข้าวิมุตได้ทํานิพพานให้แจ้งได้อันนี้พูดถึงแค่ฮิริโอตปาณนะเพราะนี่ฮิริโอตปาณ์เนี่ยทำให้เราไปสู่วิมุตได้นะทําให้เราไปสู่นิพพานได้นะนี่แค่ฮิริโอตปาณนะฮิริโอตปาะคือความกลัวและความละอายต่อบาปฮิริคือความละอายต่อบาปโอตปะคือความกลัวต่อบาป แล้วจะจําได้ไมหมละ่ะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะถามแมฮีรีนี่มันเออสะกดอย่างง่ายอยู่แต่โอตปะนี่สะกดว่าอย่างไงเป็นตัวต่อเต่าหรือปอปลาสะกดก็จําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ออกไปทําแต่ทําเลยเช่นว่าเวลาเราจะด่าลูกอย่างเงี้ยถ้าด่าลูกให้มันเจ็บเ็บแสบแนี่โอ้ยฉันไม่ด่าดีกว่าแต่ฉันพูดดีๆหรือว่าเวลาที่จะด่าผัวด่าเมียด่ากันทิ่มแทงกันเนี่ยกันแหนกัะแหนกนัน เน็บแนมกันเนี่ยโอ้กลัวตบปากไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ทําหรอกละอายแล้เราพูดไปแล้วก็จะเป็นคนไม่ดีแตนะ่แค่นี้เราทําละฮริโอตบปะแล้วเราไปที่ทํางานระหว่างทางไปถูกคนขับรถปาดหน้าหรือว่าโอ้รถเมนแน่นแนนมีแต่ความคิดเครียดแค้นจะด่าเขาเพื่อนร่วมทางที่เดินไปหรือขับไปขับไปโดมนมอเตอร์ไซค์ปาดหน้ามีความคิดเครียดแค้นด่ามันออกมาทางปากโอ้ไม่ทําหรอกเพราะว่า อายใจแต่คนไม่ดีก็ทํากันหรือว่าถ้าพูดไปแล้วกลัวว่าคนนั่งข้างๆเขาจะเคืองหรือกลัวว่าจะมีคนติเตียนได้อันนี้ก็เป็นโอต ป, ปะละฮิริโอต ป, ปะนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเปรียบเทียบมีอุปมาอุปไมยไว้โดยคําว่าฮิริเนี่ยคืออันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งนั่เป็นเมืองที่แบบบางครั้งอลังการแล้วก็มีประการโดยรอบและเมืองเมืองนี้ก็ เป็นเมืองที่มั่งคัง่งแหะพระราชาก็เลยสร้างเขาเรียกว่าหลุมขุดคูรอบทั้งลึกและกว้างอย่างถ้าเราเคยดูการสงครามในสมัยก่อนเนี่ย mm. เขาจะมีหลุมที่คอยดักกระสุนไม่ให้มาตีเมืองนะหลุมตรงนี้แหละหลุมนี่คือไม่ใช่หลุมเดียวนะแต่เป็นคูล้อมรอบอเมืองหลวงเลยคูล้อมรอบตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับฮีรินะเป็นที่คุ้มภัยในภายในและป้องกันภั ย, ยในภายนอก คือความละอายต่อกายวาจาใจอันเป็นทุจริตเวละอายนะแล้วก็ส่วนโอตปะนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นเชิงเทินนะที่เดินสูงและกว้างเวลาที่ยกคือเหมือนกับยกพื้นสูงขึ้นมานะให้มีทางเดินสูงและกว้างนะเป็นที่ในการที่จะเห็นข้าศึกมีบัญชาการลบได้เชิงเทินเนี่ยเปรียบเสมือนโอตปะนะคือความสะดุ้งกลัว ต่อกายวาจาใจมเป็นทุจริตอย่างเช่นถ้าเราทําไม่ดีมาเมื่อวานเนี่นะเมื่อวานเราทําให้ดีมากลับมาบ้านนอนนอนไปตีหนึ่งตีสองเออสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้ยเราทําความไม่ดีเมื่อวานนี้รู้สึกไม่สบายใจกลัวนั่นน่ะดีแล้วนอนไม่หลับซะถ้าเผื่อทำความชั่วมาเราไปแก้ไขเราทําความไม่ดีมาเรามีความกลัวเกิดขึ้นเราไปแก้ไขอันนี้ยังดีนะยังถูกต้องนะ เรามีความกลัวความละอายต่อบาปแสดงว่าสภาพจิตของเราเป็นจิตที่ยังพอบอกสอนไดนะ้เป็นผู้ที่ยังมีฮิริอัตตาปะจะพาเราไปสูงได้จะเป็นผู้ที่เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกอยู่ได้ทําไมโลกจะไม่คุ้มครองล่ะถ้าบว่าคนมีหิริอตตาปะซึ่งกันและกันจะทํำบาปก็ละอายจะทําความชั่วก็กลัวในนี้ถึงเช่นจะดีส่าจึงบอกว่าแทนที่เราจะมากลัวผีกลัวเ่เรื่องอะไรที่เราไม่รู้กลัวอนาคต กลัวว่าทำงานที่นี่จะดีไหมกังวลโอยเอาความกลัวทั้งหมดนั้นมาแปลงเป็นความกลัวตบะบ้าซะแต่แล้วความกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีความกังวลนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นนิวร์เป็นเครื่องกลางกัน้นะที่ทําให้จิตของเราถอยกําลังให้ละเสียอย่างพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอเติมซะหน่อยหนึ่งอย่างเช่นว่าแม่รักลูกอย่างนี้นะแม่รักลูกลูกจะไปเรียนเมืองนอก ลูกจะไปเข้าโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเกิดความกังวลว่าโอ้ลูกฉันจะทําได้ไหมจะไปดีไหมมันจะอยู่ได้ไหมมันจะกินอะไรใครจะดูแลมันแล้วมันจะกลับกี่โมงนี่คือความกังวลแต่ความรักของเราก็ความรักส่วนหนึ่งแต่แยกเอาไว้แต่ความกังวลโยนทิ้งไปแต่ความรักนี่เราก็เปลี่ยนให้เป็นจะดูแลกันรูปแบบไหนก็ค่อยปรึกษากันแต่ความกังวลอย่าให้มีเช่นเดียวกัน ความกลัวเนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นความกลัวตบบาบซะแตความกังวลเนี่ยก็โยนทิ้งไปเพราะฉะนั้นเรื่องของฮิริโอต ป, ปาเนี่ยจะขอย้ําตรงนี้อีกนิดหนึ่งในเรื่องลำดับขั้นแนะว่าทําไมทําไมเจ้าฮิริโอต ป, ปาเนี่ยพระพรุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมีความเป็นธรรมที่กุ้มครองโลกก็เพราะว่ามันเป็นลำดับขั้นอย่างนี้นะคือคนที่มีสติสัมปชัญญะที่เราพูดไว้เมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย คนที่มีสติสมชัญญาเนี่ยจะทำหีริโอตาปะให้เกิดขึ้นได้แต่คนที่มีหีริโอตาปะแล้วเนี่ยจะทำให้ เ, าเรามีอินทรียสังวรได้รักษาอินทรียของเรารักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราคนที่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยจะมีศีลอยู่ได้จะไม่ทำผิดศีลคนที่มีศีลอยู่แล้วเนี่ยจะทำจิตให้มีความไม่ร้อนใจได้พอจิตไม่ร้อนใจแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจความเย็นใจ ลราก็จะมีความสุขความสุขที่เกิดจากภายในภายในนี้จะเป็นตัวบอกระดับของสมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่งสมาธิที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เขาเนี่ยเห็นไต้ตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ ล, ลำดับขั้นตรงนี้เนี่ยเป็นลำดับขั้นที่สำคัญพระพระเจ้าพูดถึงว่ามันจะไปเป็นขั้นขั้นเป็นขั้นๆ เมืนเวลาที่น้ํำตกลงบนภูเขาอย่างเงี้ยตกลงในป่าบนภูเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆทำน้องห้วยซอกผาซอกเขาอะไรต่างๆให้เต็มแต่เต็มแล้วมันก็จะทําให้บึงน้อยๆเต็มบึงน้อยๆเต็มก็ทําให้บึงใหญ่เต็มบึงใหญ่เต็มก็ทําให้แม่น้ําน้อยเต็มแม่น้ําน้อยเต็มก็ทําให้แม่น้ําใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มก็ทําให้มหาสมุทเต็มได้มหาสมุทเต็มได้นี่มหาสมุทินี่มันไม่เต็มไม่ลดหรอก ไม่เต็มหรือไม่ลดลําก็ขึ้นไปเรื่อยเใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้มาสมุทรเนี่ยก็จะมีแค่น้ําทีละหยดนั่นแหละบนภูเขาดัานแหละทําให้มันเต็มเช่นเดียวกันเราจะเป็นพระอรหันต์ได้เราจะบรรลุนิพพานได้คุณบอกว่าคุณฉันจะต้องเป็น อ, อริยะสาวกให้ได้ในชาตินี้หรือว่าฉันจะต้องเป็นคนดีให้ได้ตอนนี้เราก็ทําได้เลยแล้วก็ทีละหยดทีละหยดนี่แหละฝนเนี่ยมันตกทีละหยดนะมันถึงทําให้น้ําท่วมได้ ที่เขืน่นภูมิพลเขื่อนเศรษกิจหรือเขื่อนไหนในประเทศไทยเนี่ยมีน้ําเป็นหมื่นหมื่นล้านลูกบาทเมตรเนี่ยก็ทีละหยดน้นําฝนนั่นแหละตัย่งจังหวัดอําเภอหนองหารเนี่ยที่วัปดป่าดอนไถ่โสกเนี่ยคือที่วัดเนี่ยไม่ท่วมหรอกว่าเป็นที่ดอนแต่ว่าที่รอบๆวัดเนี่ยก็เคยมีครั้งหนึ่งหลายปีละท่านหลวงพ่ดอดรสะอาดเล่าให้ฟังแต่ว่าฝนเนี่ยตกแต่ทางที่ว่าในบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่สูงแต่ว่าน้ําก็ท่วมได้ เพราะมันตกสามวันไม่หยุดเลยตกทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดเนี่ยติดต่อกันสามวันท่วมเลยน้ำไหลไปไม่ทันนะน้ำไหลออกเนี่ยช้ากว่าน้ําที่ไหลเข้าลงมาเพราะฉะนั้นเราทําไปนะทำไ ป, ท, ำไป ท, ำทําไปทําทีละนิดละหน่อยนะไอ้วิมุติความหลุดพ้นเนี่ยจะเกิดได้ก็ต้องมีความปล่อยวางความปล่อยวางจะมีได้คุณก็จะต้องเห็นตามที่เป็นจริงคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ จิตของคุณต้องเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิมากหรือน้อยก็บอกตามระดับของความสุขที่มีในใจความสุขนี้ก็เกิดมาจากความสงบความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจจะมีได้จิตก็ต้องไม่เป็นจิตที่ร้อนใจเป็นจิตที่สบายใจจิตไม่ร้อนใจสบายใจก็จะต้องมีจากมาจากความมีศีลความมีศีลก็ต้องอาศัยคนที่มีอินทรีย์สังวรแต่คนที่สำรวมอินทรีย์ คนสมรวมอินรีย์อินรีย์สังวรได้จะมาได้ก็ต้องมาจากไอ้เจ้าหิริอตุตปาป์นี่แหละความกลัวความละอายตบับจะมีความกลัวความละอายตบับได้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเราพลาดจุดนี้เราพลาดว่าฉันไม่มีหรอกสติสัมปชัญญะเป็นผู้เผลอสติมีสติลืมหลงปล่อยสติปล่อยอินทรีย์ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายตบับละเราจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะพระเจ้าเปรียบความเสื่อมตรงนี้เหมือนกับต้นไม้เนี่ย เวลาต้นไม้เนี่ยมันมันใบมันหลุดไปกิ่งกับใบมันหลุดไปเนี่ยน ะ, อะไอ้กิ่งใหญ่ๆมันก็เริ่มหลุดไปคือถ้าสมมุติเราเราหักใบไม้ออกเนี่ยพอต้นไม้ไม่มีใบเนี่ยเดี๋ยวแล้วเราก็หักใบอยู่เรื่อยๆนะมันพยายามจะโตใบออกมาเพื่อจะ ส, งสังเข้าแสงใช่ไหมพอใบมันไม่มีมากๆ เ, เดี๋ยวกิ่งมันก็หักในกิ่งหักน้อยๆหักกิ่งใหญ่หักกิ่งใหญ่หักลําต้นหักลําต้นหักทั้งโคนตรากโคนขึ้นมาเลยเดก็เหมือนกับงพระเนี่ย เสื่อมทีละน้อยนะอาบัตเล็กๆน้อยๆคุณไม่รักษาคุณรับเงินคุณให้เขาเก็บเงินให้คุณโทรศัพท์ไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุณใช้ของโดยไม่พิจารณาจาไปทําไปเริ่มอาบัตหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเสื่อมจากความเป็นภารเลยบางที่บวชมา10ปี20ปีก็ยังสึกได้แต่เพราะไม่รู้จักแก้ตรงนี้ถ้าเรามีความกลัวความละอายต่อบาปนี่เราจะแก้ไขความผิดของเราได้คนผิดแล้วแก้ไขน่ายกย่อง คนผิดแล้วยังฝืนทำต่อไปน่าประนานเพราะฉะนั้นในเรื่องของฮิริอตตาปะเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุ้มครองโลกคุ้มครองตัวเองด้วยคุ้มครองผู้อื่นด้วยย้ําอีกครั้งหนึ่งฮิริอตตาปะคือความละอายต่อบาปหนะฮิริคือความละอายต่อบาปเหนียมใจแก่การที่จะทำบาปอตตาปะนี่คือความกลัวตบาปนะกลัวกลัวภัยแห่งทุจริตที่จะเกิดขึ้น ทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกแต่คนรอบตัวเราก็จะได้รับการคุ้มครองตัวเราเองก็จะได้รับการคุ้มครองในรายการธรรมราวรุณวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์เนี่ยก็จะเอาเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของฮิริอุตต ป, ปะในสัปดาห์หน้าจะพูดถึงเรื่องของขันติแล้วก็คือความอดทนแล้วก็ความสงบสงบถ้าท่านผู้ฟังมีคาถาม เราจะมาตอบให้ในวันอังคารหรือวันพุธให้เขียนส่งกันมาได้ที่เว็บไซต์เพ e ยว h ร m m a .com หรือไม่ก็เขียนตั้งจดหมายก็ได้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งรระเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400ถนนวิภาวดีรังสิตในสัปดาห์หน้าก็ค่อยพบกันแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็ยังจะมาพบกันอยู่พรุ่งนี้เราก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างหรือว่าเอาคถามมาตอบ แล้วก็พบกับอาตมาพระไพบุ์อภิปุโ น, โนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางรายการธรรมารบปุ่นเจริญพร